ทโสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพคะรายการสัสนสีสนทนานะคะกับสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอ็มร้คลื่นของทหารเรือนะคะสทรก็ได้ให้เวลาที่จะทำให้ทุกท่านที่ได้มาฟังมีโอกาสเสพธรรมของพระาศาสดาพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นชาวพุทธที่รู้ วา ส, าสดาสอนอะไรที่นำเอาธรรมะของศาสดาไปปฏิบัติไม่ใช่เป็นแต่ในทะเบียนกันอย่างที่ดิฉันเองก็เคยเป็นงนั้นมาก่อนโดยการนี้มีพระมหาภัยบุญอภิปุโนนะคะที่เมตตาสละเวลาอันมีค่าโดยเฉพาะเดือนนี้ที่มีคอร์สลเลกเรนถึงสคอร์สมาให้ธรรมะกับเราอยู่เป็นประจำท่านสอนการปฏิบัติธรรม กับคนเป็นจํานวนมากหลายปีแล้วนะคะในทุกๆเดือนที่วัดป่าดอนหายโสกดรธานีและท่านก็เมตตาให้ผู้ที่ยังไม่มีโอกาสไปศึกษาปฏิบัติด้วยตัวเองที่นั่นได้เหมือนกับได้ไปปฏิบัติเหมือนกันเพราะว่าท่านก็ยกส่วนหนึ่งของการสอนเนี่ยมาสอนพวกเราทุกวันดังที่จะได้พบ ก, กันในนาทีต่อไปนี้นะคะกราบนมันสการค่ะท่านคะเจริญพรเรามาเริ่มการฟังธรรมด้วยกันที่ปฏิบัติทำกันซะหน่อยหนิง บุคคลใดใครก็ตามจํามาเริ่มปฏิบัติธรรมได้นในต่างคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าจะต้องมีที่พึ่งที่ระลึกถึงซะ ก, ก่อนเพราะว่าการที่เราจะเดินไปตามมาร์กการที่เราจะมารู้อริยสัจสี่ต้องอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ท่านเคยตรัสไว้กับปุโรหิต ท, ที่ชื่ออคีธาต์บอกว่าบุคคลที่จะพึ่ง ภูเขาท้องฟ้าต้นไม้ทะเลที่พึ่ง น, นั้นไม่ใช่ที่พึ่งที่เกษมได้เลยแต่ว่าถ้าเรามาพึ่งพระพุทธประธรรมพระสงค์ที่พึ่งตรงนี้จะสามารถที่จะทำให้เรารู้อริยสัจสีได้พุทธโธธรรมโมสังโฆที่เราจะตั้งไว้เป็นที่พึ่งที่ระลึกตึงนั้นเราจะต้องรู้ซะก่อนว่าเอพุทธโธธรรมโมสังโคนี้จะพาจิตของเราไปตามอริยมรรคมีองค์แปดได้ทำให้จิตของเรามารู้ฟังธรรมะเข้าใจ ตั้งสติของเราขึ้นได้พุทโธตรงนี้คืออะไรพุโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณอย่างมหาศาลในการที่เรามารึกถึงคุณของท่านตรงนี้ก็เรียเป็นพุทธานุสติในเช่นว่าความที่ท่านเป็นพระกวาร์พระกวานี้คือผู้จำแนกแจกธรรมจำแนกแจกธรรมธรรมะที่ท่านบุฟันท่างหลายจะได้ยินได้ฟังต่อไปหรือเคยได้ยินได้ฟังมานี่มีพระพุทธเจ้า จำแนกเอาไว้แจกเอาไว้แยกเอาไว้บรญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทําให้เป็นของตื่นเอาไว้ท่านที่ทาหน้าที่ตรงนี้ในการทาหน้าที่ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นภักขวาพระองค์เคยเล่าให้ฟังว่าตัวพระองค์เนี่ยสามารถที่จะมีความเข้าใจแจกแจงเรื่องสติปัฏฐานสีได้อย่างชํานาญมากและโดยถ้ามีสาวกสี่รูปรูปแรกถามเรื่องเกี่ยวกับ การระลึกถึงกายการใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงหรือว่ากายานุปัสสนาสตริปฐานถามมาว่ากายมีอะไรเป็นยังไงอาถามมาพระบุตรเจ้าก็ตอบให้แต่ตอบให้เสร็จแล้วภิกษุรูปแรกนี้เอาไปจาำมาไว้จำเอาไว้ว่ากายมีอะไรบ้างอาละเอียดเป็นยังไงจําไปรูปที่สองถามเกี่ยวกับเรื่องของเวทนาแต่ว่าจะใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเนี่ยทำยังไงเวทนานุปัสสนาสตริปฐานอยู่ตรงไหนลมหายใจเป็นเวทนายังไงอาถามไป พระพุทธเตอบให้ในระหว่างที่รูปที่1และรูปที่2รับฟังคําตอบไปแล้วกําลังจําอยู่เนี่ยรูปที่สก็ถามต่ออีกถามถึงเรื่องการใช้จิตเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็จเป็นจิตตาอนุปัสนาสตริปฐานถามไปพระพุทธเจ้าก็ตอบให้ว่าจิตเป็นอย่างนี้ๆนะวางจิตนี้ๆนะในระหว่างที่รูปที่1รูปที่2และรูปที่สามกำลังจําคําตอบเหล่านั้นอยู่เนี่ยรูปที่4ก็ถามต่ออีกถามต่อถึงเรื่องการใช้ธรรมะเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึง ก็เลเป็นธรรมานุปัสสนาสติปฐ า, านถามไปแล้วพระบุตรชลเขาตอบให้ว่าธรรมะเป็นอย่างงี้นะต้องวางจิตอย่างงี้พิจารณาอย่างนี้ในขณะที่รูปที่สี่กำลังจําอยู่นี้รูปที่หนึ่งนี้จําเสร็จพอดีแตรูปที่2กําลังจําอยู่รูปที่สามกำลังจําอยู่รูปที่4ี่กำลังจําอยู่รูปที่1ก็ามาถามต่ออีกนะว่าเออที่จําไปแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วไม่เข้าใจอย่างนี้จะถามต่ออย่างนี้ถามเสร็จแล้วพระบุตรชลเขาตอบให้แตทําให้แล้วก็มาถึงรูปที่2 รูปที่หนึ่งไปจำรูปที่สองถามเรื่องเวทนาต่ออีกรูปที่สามถามเรื่องจิตต่ออีกรูปที่สี่ถามเรื่องธรรมะต่ออีกวนไปวนไปวนไปอยู่อย่างนี้โดยความเป็นพระผู้มีพระภาคเนี่ยเว้นการกินเว้นการดื่มเว้นการเข้าห้องน้าเว้นการหลับนอนเป็นอย่างนี้อยู่ร้อยปีคำพูดอธิบายแยกแยะแจกแจงอธิบายทำความเข้าใจในเรื่องของสติปัฏฐานสียังไม่หมดเลยนี่คือความที่ท่านเป็นพักว เราระลึกถึงความเป็นพักวาของพระพุทธเจ้าอย่างนี้อันนี้คือเป็นพุท ธ, ธานุสติเราไม่ได้เอาคําว่าพุโทโธต้องพุโทโธพุธโทโธเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีคุณของพุโทโธอยู่ในใจแต่เราเอาคุณของพุโทโธไม่ได้เอาคํานั้นแล้วคุณของพุโทโธเนี่ยมาอยู่ในใจของเราโดยให้ใจเราระลึกถึงเช่นคุณธรรมของท่านเช่นความเป็นพักว่าโหยท่านก็มีความเข้าใจระลึกลึกซึ้งขนาดนี้เราขอสักเสี้ยวหนึ่งก็บอกเราไม่ได้เอาต้องกี่ขันกี่หมื่นกี่กองกี่อะไร ที่เขาแบ่งแยกกันไปแล้วออกกองเดียวพอใช่ว่าจิตของเราจิตของเราที่ท่านผู้ฟังมาฟังอยู่เนี่ยมีสติตั้งอยู่ไหมไหนะมีสิ่งใดมากระทบเราตื่นรู้โดยความที่ไม่ลุ่มหลงในมันได้ไหมจิตที่เป็นแบบนี้คือเป็นพุทโธละมีความรู้แล้วว่าเออฉันไม่ได้ไปเกลือนกล้วในมันแต่ว่ามีสติระลึกรู้อยู่ซึ่งจิตที่เป็นพุทโธแบบเนี้เราสามารถที่จะดารงรักษาให้มันอยู่ต่อนเนื่องไม่ใช่เฉพาะตอนที่เรามาปฏิบัติร่วมกันแต่ตอนที่ฟังทำด้วยไม่ใช่เฉพาะตอนที่ ฟังทาทางวิทยุเท่านั้นแต่ตอนที่ขับรถด้วยคุยกับใครด้วยให้จิตเรามีความตื่นรู้อยู่อย่างนี้ให้จิตมีคุณธรรมระลึกถึงพุทธโธเนี่ยเป็นพุทธานุสติจะทำให้เราสามารถที่จะเดินไปในทางรู้อริยสัจ ส, สีผพ้นจากความทุกข์ได้นนเองเจริญปรสาธุค่ะท่านอาจารย์คะที่ท่านบอกว่าพุทธโธไม่ใช่แค่นึกถึงคาว่าพุทธโธแต่ความหมายของพระพุทธเจ้าที่ คือคำว่าพุโทโธนั้นทีนี้ท่านได้กล่าวในส่วนของมีความสามารถในการจำแนกทรรมที่บอกว่าร้อยปีก็ยังจำแนกไม่หมดเนี่ยแหระคะพักวาใช่พักวาทีนี้ท่านนอกจากนั้นนะคะที่เราควรจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งดิฉันเองก็เข้าใจว่าในบทสรรเสริญบทระลึกถึงท่านอิปุกโซเนี่ยถือว่าเป็นบทครอบคลุมไหมคะเออถูกต้องครอบคลุมเลยคือในแต่ละข้อเช่นไล่มาตั้งแต่ อิทิพิโสพระวารหังอย่างนี้ใช่ไหมอิทิพิโสรหังเนีเ่ก็จะมีความหมายอยู่อรหังคืออะไรมีกี่นัยยะว่ากันไปทีนี้ที่จะมา ม, มาเล่าให้ฟังตรงนี้คือเอาข้อสุดท้ายตรงนี้ที่เป็นพระกาวานีพระวารีเอามาเล่าให้ฟังตรงนี้ว่าโอ้ยพระกาวานะครับเป็นอย่างนี้นะเนี่ยนี่คือพระกาวานี่เป็นอย่างนี้ค่ะ<า>นะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นพุทธศาสนกชนมีพระพุทธองค์เป็นศาสดา เราก็ควรจะรู้ว่าพระพุทธองค์นั้นเนี่ยมีพุทธลักษณะเป็นอย่างไอดมีดิฉันใช้คำไม่ครอบคลุมเลยท่านเนี่ยลักษณะก็คงไม่ใช่นะคะมีม า, ากได้มากกว่านั้นคุ ณ, คณสมบัติใช่มีเอ่อพจิกพุทธคุณอย่างไรนะคะค่ะก็เอ่อใช้เป็นที่ที่เราจะระลึกถึงทกและกันจะทำให้ธรรมะนั้นปรากฏอยู่ในตัวท่านด้วย มีคำถามอะค่ะที่ฉันอยากจะพยายามทําให้คําถามเหล่านี้เนี่ยได้ไปถึงคนที่ตั้งคําถามมามาถึงคําถามต่อไปจากที่วันก่อนนั้นก็มาถึงที่คุณยุทธนาและคะท่านคะเจ้าปานคุณยุทธศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี่ยอันนี้รายยาวมาก่อนนะคะคือเหมือนกับว่าคําถามของเขาเนี่ยอยู่ในในการอธิบายเรื่องของตอนเองว่าผมมีความคิดว่าชีวิตนี้เป็นทุกอย่างยิ่งอต้องเกิดแก่เจ็บ ต้องพลัดรากจากสิ่งที่รักต้องเวียนไหวตายเกิดไม่รู้จบสิ้นใจนึกอยากให้ตัวเองพ้นทุกข์และได้บรรลุธรรมจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกใจคิดอยากบวชเคยไปดูวัดต่างๆว่าวัดไหนน่าจะขอบวชเคยฝันว่าได้ออกบินธบาตไปกับท่านพระอาจารย์มหาบัวด้วยครับแต่เมื่อนึกถึงสังขารของตัวเองแล้วก็คิดว่าจะสายไปเสแล้วกระมังเพราะอายุเข้าห้าสิบแล้วเวลานั่งสมาธิ ขัดสมาธิพับเทียบองอเข่านานๆาพอออกจากสมาธิแล้วจะมีอาการเจ็บหัวเขา่าจึงเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าถ้าออกบวชจะมีปัญหาตามมาใช่ไหมครับเพราะถ้าเป็นพระแล้วจะต้องนั่งงอเข่ากับพื้นานานๆจะมีทางออกอย่างไรครับเพราะในใจอยากบวชค่ะอะไรเป็นขั้นตอนของกุนยุทนาเนี่อที่ว่ามีความ ค, คิดว่าชีวิตนี้เป็นทุกอย่างยิ่งเนี่ยอะไรอาศัยอะไรเป็นเหตุที่แต่ไม่เห็นว่าชีวิตนี้เป็นทุกอย่างยิ่ง นึ่งในข้อนั้นคุณยุทธนาต้องได้อาศัยไม่พุโทธรรโธก็ทำโมหรือสังโฆแน่นอนดัง า, า, ามีความมั่นใจพระบาพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเพราะอาศัยพุทธพระตามพระสงฆ์เนี่ยทำให้เห็นอรยิย ส, สัจสีคุณยุทธนาเห็นข้อที่เป็นทุกข์แล้วนะว่าเฮ้ยทุกข์นี่นเป็นทุกข์จริงๆเว้ยมันไม่ใช่เป็นสุขนะแต่จำว่าคุณ <c oughs> ต้องได้เคยฟังธรรมของพระพระุทธเจ้าหรือว่าได้เคยระลึกถึงพระพระุทธเจ้าหรือว่าได้เคยที่เห็นครูบาอาจารย์เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซ่งตนี้ก็ได้ยังได้ฝันนนนนถึงงงอออออยย่่าาี้ัััคืศพุทธโโโรมสแน จึงมามีความคิดแบบนี้ได้ทีนี้ประเด็นที่คุณยุทธนาถามเนี่ยมันปเปรียบเทียบอย่างนี้พระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างปเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับนกมูลไถตัวหนึ่งนกมูลไถเนี่ยนะนกมูลไถคุณยมติวเนื้อออกมาคือมันจะเป็นนกที่หากินอยู่ตามพื้นดินที่ชาวนาเขาไถใหม่ๆ ม, มันจะมีน้อนมีอะไรมันก็จะไปหากินอยู่กระโดดยอกยอกอยู่ตรงนั้นมันจะไม่ใกล้ได้บินไปไหน น, นกมูลไถทีนี้ว่าชาวนาเนี่ยเขาก็จะเอา เถาวันที่เรียกเป็นเถาหัวด้วนเนะถาหัวด้วนนะคือหมายถึงเถาวันที่มันเหลืออยู่ตามดินไม่ได้มีรากอะไรที่มันจะลึกนะเป็นเถาวันธรรมดา เ, เช่นบระเพ็อย่างเงี้ยนะเป็นเถาวันถูกไหมบระเพ็เนี่ยมันจะไม่ได้มีรากลึกอะไรบางทีมันก็แค่เป็นรากๆย้อยๆลงมาแล้วก็ดูดน้ําจากอากาศเอาแค่นั้นบางทีนะก็เอาเถาวันพวกนี้ยไปพันขาของเจ้านกมูลไถตัวนี้ทำไมเพื่อไม่ให้มันบินหนีไป แล้วไงให้ลูกเขาเล่นเหมือนหมาไงนะผูกมันเอาไว้ลูกก็เล่นกับ น, นกไปก็ว่ากันไปนกมูลไถเนี่ยถูกผูกอยู่ด้วยเถาหัวด่วนนี่คือกรณีที่หนึ่งกับกรณีที่สท่านเปรียบเทียบพระบรรเจ้ายกเปรียบเทียบนะว่าเปรียบเทียบกับช้างอาชาไหนของพระราชาเป็นช้างที่มีงางงอนงามเป็นชั้นเจนสงกรมไม่ใช่ช้างกระจกงอแงนะคุณหยงติวนะ เป็นช้างที่มีงางงอนงามเป็นช้างชั้นเจนสงกรามเป็นช้างอาชาในที่ฝึกดีแล้วของพระราชาเพราะฉะนั้นช้างตัวนี้จะมีคุณต่างๆหมดเจนสงครามด้วยนะเพราะฉะนั้นมันจะแบบมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งช้างที่มีงางงอนงามมีเขี้ยวงามเนี่ยมันยิ่งมั่นใจในตัวเองสูงสุดเลย <c oughs> แล้วยังเป็นช้างของพระราชารูปคุณของพระราชาได้รับการประคบองมงงมอย่างดีเนี่ยช้างประเภทนี้นะเวลาเขาจะผูกเนี่ยเขาจะผูกด้วยเชือกป่านก็ไม่ได้ เพราะว่ามันจะมีกําลังมากมันเอี้ยวก้นมันทีเดียวบึ้มเชือกขาดเขาต้องผูกด้วยโซ่ตรวนโซ่ตรวนที่ผูกอยู่กับเสาตะลุงเสาตะลุงนี่ไม่ใช่ว่าเสาไม้ธรรมดาเสาแก่นไม้ทั้งต้นฝังลงไปจนเกือบมิดดินฝังลงไปจนเกือบมิดดินทั้งต้นมันเนี่ยนะแล้วโผล่หัวมันนิดเดียวพอที่มันจะร้อยกับไอ้เจ้าโซ่ตรวนนี้ได้แล้วผูกช้างประเภทนี้ถึงจะอยู่คุณยมเดียวกานใช่ไหมค่ะสองประเภทนี้นะ ไม่ต้องพูดถึงว่าจะเอาเถาหัวด้วนไปผูกช้างต่อให้เอาเชือกป่านช้างก็ไม่อยู่ต้องใช้โซ่ตรวนเท่านั้นนกมุนไถเหรอไม่ต้องพูดถึงว่าจะเอาโซ่ตรวนกับเสาตรงไปผูกแค่เถาหัวด้วนมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วไม่ต้องพูดถึงเชือกป่านทำไมสัตว์2ตัวที่มีเครื่องผูกที่แบบต่างกันฟ้ากับเหวทําไมมันถึงผูกอยู่ตรงกูในขณะที่เชือกป่านาถ้าเราเอาเชือกป่านนะผูกช้างไม่อยู่ แต่เท้าหัวด้วนผูกนอกอยู่ความต่างคือนอกเนี่ยมันมีกําลังน้อยถูกไหมในขณะที่ช้างอาชัยของพระราชามีงางงอนงามชั้นเจนสง่าเนี่ยมันมีกําลังมากมันจึงผูกด้วยเชือกป่านก็ไม่อยู่ตรงนี้เป็นอุปมาอุปไม้ที่พระราชาเปรียบเทียบกับจิตใจของคนคือถ้าเราเพ่งไปที่ตรงไหนเพ่งไปที่ตรงไหนเปรียบเทียบกับคนคนหนึ่งที่เขาไม่ค่อยมีเงนจะกินนะแล้วก็มีบ้านปูผูกขาด ผนังบ้านเนี่ยที่เขาปูด้วยฟ้าที่เป็นไม้จากไม้ฟางอะไรพวกนี้นะแล้วมันก็ปูปูขาดขาดเนี่ยมีนกบินเข้าบินออกมาขโมยของในบ้านในในบ้านนี้ก็มีหม้ออยู่ใบหนึ่งที่มีเมล็ดพันธุ์พืชซึ่งก็เป็นพันธุ์ที่ไม่ค่อยดีเป็นพันธุ์เลวแตแล้วคนนี้ก็มีบ้านปูโลท่างแล้วก็มีเตียงเตียงเหมือนแคร่เนี่ยนะสำหรับนอนเนี่ยก็ปูปูขาดขาดมีแบบเป็นรูเยอะเยะเป็นไม้ไผ่ที่มันผุผูแล้ว แล้วผู้ชายคนนี้เขาก็มีแปลงนาแปลงนาก็เป็นแปลงนาที่ไม่ดีเป็นแปลงนาแล้งมีหินมีอะไรเยอะแล้วก็มีภรรยาคนหนึ่งฟันเหยินด้วยรูปไม่สวยนะก็ปรากฏว่าชายคนนี้เขาก็เห็นภิกษุรูปหนึ่งเห็นภิกษุรูปหนึ่งมีผิวพรรณผ่องใสมีอินทรีย์งดงามมีมือเท้าล้างสะอาดก็เลยคิดว่าจะบวชก็เลยคิดว่าจะบวชแต่ก็มาคิดถึงว่าโอ้ยแล้วใครจะบ้านฉันจะยังไงเนี่ย คนก็คงจะเอาไปเผาทิ้งแครก็คงจะไม่มีใครใช้ภรรยาคนหนึ่งของฉันนี่ก็คงจะมีพวกคนเลี้ยงช้างของเลี้ยงมา้ามาจีบเอาไปนะเอาข้าวนี้ไปหุงกินโอยอย่า ก, กันนั้นเลยเราก็ดูแลเมียของเราคนนี้ล่ะเราก็เอาพันข้าวเนี่ยไปหว่านไปปลูกได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแต่จิตเขาเพ่งมาตรงจุดที่ว่าเขาจะเสียอะไรหรือเขาจะไม่ได้อะไรก็เพ่งมาตรงนี้ในขณะที่ มีลูกเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยนะก็เป็นลูกเศรษฐีมีภรรยาเนี่ยโอ๊ยสวยงามราวกับนางงามไหนะมีเงินที่เขาฝังอยู่ในหม้อไหฝังไว้ในดินเนี่ยโอย้เป็นหลายโกรดนะแล้วก็ในยุ้งฉางนี่ก็มีตั้งพันกว่าฉางพันสอ้าฉางที่เป็นข้าวพันดีเป็นข้าวสาลีแดงข้าวเปลือกนะ่ยแปลงนาก็แปลงนาดีปรากฏเขาก็เห็นพระรูปเดียวกันนะว่าโอ๊ยพระองค์นี้มีอินทรีย์งดงาม มีมือเท้าล้างสะาต้องมีข้อปฏิบัติรายแน่นอนเลยมีสามัญญผลอะไรที่ฉันยังไม่มีอยากกันนั้นเลยฉันออกบวช ด, ดีกว่าก็มีความคิดอย่างนี้2คนนี้พรทเจาเปรียบเทียบกับนกมูลไถกับช้างแต่ว่าช้างเครื่องผูกของช้างคือเชือกป่านยังผูกจังไม่อยู่เพราะช้างมีกําลังมากในขณะที่เครื่องผูก น, น้อยของนกมูลไถ่เนี่ยคือทตงหัวด้วนผูกมันอยู่เพราะว่ากําลังของมันน้อยทีใ่ในกรรันจิตของเราเนี่ยถ้าเราเพ่งไป ที่ไหนเช่นถ้าเราเพ่งไปที่ที่จะเป็นเรื่องกามเพ่งไปตรงจุดที่ว่าโอ้มันเหนื่อยนะมันเมื่อยนะมันอ่อนนะจนจนไม่อยู่ไม่สบายนะเพ่งไปเที่นี้ยจิตเราจะมีกําลังน้อยจะอ่อนกําลังลงไปแต่ถ้าเราเพ่งมาตรงจุดที่ว่าเป็นสามัญญผลโอเราจะได้อะไรสมาธิเป็นงี้ศีลเป็นงี้หัวข้อความันงดงามนะเพ่งมาที่นี่เนี่ยจิตมันจะมีกําลังเหมือนช้างอาชาไนที่เล่ามายืดยาวนี่นะคุณหยงติว๋ว <laughs> เพื่อที่จะบอกว่า เราจะออกบวชไม่ได้หรอกถ้าเราเพ่งไปในที่ที่มันไม่ถูก <Okay. S 1> แต่ถ้าเราเพ่งมาในที่ที่ถูกต่อให้เครื่องอะไรที่มันจะรัดรึงมากเช่นภรรยาสวยทรัพสมบัติมากมายก็เอาไม่อยู่ถ้าคนมนจะคิดว่าจะปนถูกอ่ะใช่ไหมสรุปว่าก็สู้เลยอย่าไปคิดอะไรเห็นอะไรแกเรื่องแกเจ็บแกปวดเห็นอะไรแกเรื่องอยู่สบายไม่สบาย แต่ให้เห็นแก่สีสิให้เห็นแก่สามัญเหตุผลสิเห็นแก่สมาธิที่จะได้สิเห็นแก่ความรู้คือเรื่องของทุกที่เราจะได้รู้แจ้งสิมันจะมีตรงนี้ถ้าเห็นแก่ตรงนั้นเนี่ยคุณตัดสินใจไม่ยากก็ได้นะค่ะค <c oughs> ือฉันเองก็เคยคิดจินตนาการตามนะคะอเอ่าว่าเอ๊ะการออกบวชของแต่ละคนเนี่ยต้องเป็นด้วยที่คน น, นั้นในมีจิตใ จ, จที่เข้มแข็งแนว่วแนว่แนมากนะถึงจะบวชได้นานออื ก็ เ, เหมือนกับว่าเคยใช้ชีวิตอย่างหนึง่งที่ทําอะไรก็ได้ยังไงก็ได้อืต้องไปอยู่ภายใต้กรอบของศีลลาพังแค่ศีลห้าศีลแปดที่รักษากันอยู่ก็บางคนอาจจะง่ายๆนะคะก็ต้องเขเรียกว่าอะไรคะนับถืออย่างยิ่งที่สามารถทําได้ใช่และดิฉันก็เชื่อว่าคนใจเนี่ยสำคัญนั่นแหละใจใจนี่สําคัญเยไะก็ตาม เรื่องร่างกายก็สําคัญนะคะสำคัญสำคัญสำคัญคือเหมือนกับเวลานั่งสมาธิเนี่ยในฐานะที่คุณยุทธเปิดประเด็นเรื่องนั่งแล้วมันเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยเรนคิดว่าคนพายุ่งมากจะเป็นคล้ายๆกันทนั้นเว้นซแต่ว่าเป็นคนที่เล่นโยคะในคนนี้จะเส้นเอ็นดีนะคะ <c oughs> คือยีดหยุ่นได้สะดวกจะมไม่ค่อยปวดตึงดิฉนันก็จะสังเกตตัวเองว่าพ น, นั่งไปได้สักครึ่งชั่วโมงเหมือนกับเป็นนาทีประจําตัวพอครึ่งชั่วโมงเนี่ยเริ่มจะมีอาการทางกายละที่ไม่สบาย Mm hmm. อืมอ่าแล้วก็ได้พบกับตัวเองว่าเวลาถ่ายรูปใครถ่ายมาเนี่ยเราเนี่ยเวลานั่งสมาธิเป็น น, นานๆพอได้ดสมาธิเนี่ยตัวมันจะงอมากอือ mm hmm. ก็พยายามที่จะมาฝึกปรับบุคลิกท่าทางโดยรู้ตัวก่อนนะนะคะ mm hmm. เหมือนกับอ่าเราจะต้องมาปรับท่าทางนน้นท่าทางนี้ให้นั่งสบายมากยี่ขึ้นเนี่จะกลับเรียนถามท่านว่าในเมื่อพระสูตรเกี่ยวกับอาณาปานาสติ ก็ได้กล่าวว่าให้นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบอตั้งตัวตรงดํารงสติเฉพาะหน้าเนี่ยแต่เราก็จะเห็นเป็นรูปแบบอย่างไปปฏิบัติที่วัดของท่านก็นั่งขัดสมาธิแล้วก็ใช้มือใช่ไหมคะมา ม, มาวางนหน้าตาค่ะแต่การมาปรับท่าทางที่ให้ดีขึ้นเนี่ยบางครั้งคนเราแขนสั้นแขนยาวไม่เท่ากันอืนั้ก็ได้พบว่าถ้าหากตัวเองเนี่ยจะนั่ง เอาแขนให้มันห่างออกมาโดยไม่สามารถวางประกบกันได้อื ม, มันจะทําให้บาไหลมันยืดขึ้นอืหรือในช่วงที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยที่จะปรับท่าเดิมเราอาจจะต้องอาศัยผนังที่แข็งนะคะหรือหาอะไรมาอยู่ข้างหลังเพื่อที่จะทําให้เรายืดหลังได้ตรงโดยมีอะไรเป็นหลักพิงเอาไวส้สัก่อนในช่วงแรกอือย่างเนี้ยถือว่าจะผิดไปจากคําสอนของพระศาสดาแล้วก็จะทําให้ มันเสียผลในทางปฏิบัติอะไรหรือไม่คะโอเคถ้าพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยน ะ, ะจริงจริงนอนก็ได้เอาจะพูดก็พูดนะถ้าคุณนั่งไม<ะ>่ไหวนอนก็ได้คนป่วยอะไรก็ทําได้หมดนะอ่ะทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงอริยบทนั่งเนี่ยเทคนิคที่พระอริยธรรนได้บอกไว้ก็คือนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบใช่ไหมตั้งกาย<ะ>ตรงคาว่ากายตรงเนี่ยคือหมายความว่าให้คอตรงหลังตรงให้น้ําหนักส่วนบนของร่างกายของเราเนี่ยตกลงบนกระดูกเชิงกรานนะคือถ้า เราให้เองมาข้างหน้ามากเกินไปหรือเอนแบขงหลังมากเกินไปเนี่ยมันไม่ปวดหลังด้านตามเอวเนี่ยก็ปวดไหล่แต่เพราะเราก็ต้องให้มันอยู่ตรงตรงให้น้าหนักส่วนบนของร่างกายเนี่ยตรงลงบนกระดูกเชิงกลางก่อนนะกามเนี้เราจะได้ลดเพรสเชอร์ลดสตรสลงบ้างทีนี้ถัดมาก็คือเราต้องเก็บศอกนะและเก็บข้างเก็บศอกเก็บข้างเก็บศอกก็จะได้ให้ไหล่เนี่ยตรงกับสะบักเนื้อมันไม่ปวดเนะืเพราะมันจะห้อยแบงหน้าใช่ไหมมันก็จะปวดเราเก็บศอกเข้ามาให้หน้ากับสีข้าง น, นี้แล้วก็เก็บคางนะเก็บคางเนี่ยเพื่อให้ไถ่ทอยเนี่ยมันไม่ปวดไม่ล ำ, ำดับหนักมากมันก็จะออกมาอยู่ในท่าคอตรงหลังตรงนะเก็บสอกให้มาเข้าชี้กับสีข้างนะเก็บคางเข้ามาให้มันมาเกือบแตะอกนะให้มันมาอยู่ ใ, ใกล้ๆตรงนีนะ้เพื่อที่จะให้คอตรงหลังตรงมันก็จะออกมาในท่านี้คระดิฉันไม่ทราบว่าพระพุธองเคยตรัสไว้บ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของเกริยาท่าทานเนี่ยนะคะแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยมีความเชื่อว่าการนั่งที่ดี จะทําให้ในระยะยาวสุขภาพของผู้ปฏิบัติไม่ดีด้วยค่ะเอะก็จะเป็นผลดีในการนั่งระยะยาวแต่ถ้านั่งถูกท่านะคะ ด, ดังนั้นถ้าหากศึกให้หลังตรงด้วยการไปนั่งทิงอะไรก่อนนี่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะมันอยู่ที่จิตเท่านั้นกคค็คือจิตเนี่ยต้องทําให้ได้ก่อนจิตเนี่ยควรจะทำให้ได้ก่อนสมมติเราจะสู้ เ, เราจะสู้เราจะทำในกรณีนี้เช่นว่ า, าฉันจะบวชฉันจะไปไปเดือดทำ อแต่ว่าเราก็พยายามฝึกพยายามทําเอาสมมติถ้ามันยังทําไม่ได้เราก็อาจจะมีต้องมีอุปกรณ์ช่วยเช่นมีอะไรพียงบ้างอย่างเงี้ย <Okay. S 1> แต่แต่ตัวมาเองก็บวชมาเสร็จปุ๊บมันก็เมื่อยเหมือนกันนะคือพระนั่งสมาธิไปเนี่ยเข้าหลายวันกามันก็เมือ่อยที่พอทําไปทําไปเราฝืนเราพยายามปฏิบัติมันก็ได้ขึ้นมามันก็แบบกลายเป็นเคยชินไปมันมันอยู่ที่ว่าชั่วโมงบินด้วยนะอ่โดย <Okay. S 1> ที่ไม่ได้มีเครื่องช่วยอืม ทีานเองก็สังเกตรพระสง์ที่เป็นพระปฏิบัติเนี่ยมีบางรูปท่านก็เหมือนกับตัวงอตัวเอี้ยวอะไรในเวลาที่ได้สมาธิเยอะๆเหมือนกันนะคะก็เลยสงสยัยว่าเอ๊ะถูกไหมถ้าหากว่าเราสามารถมีสติรู้ว่าขณะเนี้ยตัวเรามันงอแล้วเดี๋ยวมันจะเมื่อยนะมันจะทำให้อ่าไม่ดีกับสุขภาพ น, นะเราก็ใช้สตินั้นนี่ย ยืดตัวเองขึ้นมาอย่างเงี้ยได้หรือไม่แต่พอไปฟังคำสอนของพระสงฆ์ดิ่นเคยฟังพระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นพระนำปฏิบัติเก่งมากๆเลยนะคะเหมือนกับท่านพูดว่าเมื่อเข้าสมาธิแล้วเนี่ยพอร่างกายมันเป็นยังไงต้องให้ปล่อยไปตามนั้นนะคะคือความที่จิตเป็นโรมั์เดียวเนี่ยมันจะทำให้การปรุงแต่ง น, น, นี่คือหลักการนะเวลาที่จิตเป็นรมณ์เดียวเนี่ยการปรุงแต่งทางกายจะระ ง, งับลง อันนี้มีในพระสูต์หลายพระสูตรนะพอมีปิติใช่ไหมมีปิติลป้ปราโมทปราโมทและวกายระงบับกายระงับแล้วเป็นสุขสุขแล้วเป็นสมาธิตรงนี้ในะกายระงับตรงเนี้ยไอความที่กายระงับเนี่ยทำให้มันการเคลื่อนไหวการอะรต่างมันจะระงับลงระงับลงทีนี้คําว่าระงับนี่ไม่ใช่หมายกับว่าคุณแข็งโบกอย่างงี้ไม่เคลื่อนไหวอะไรก็ไม่ใช่ยังไงแต่ว่ากิ ร, ยริยาต่างๆมันจะหวัวใจก็จะเต้นช้าลงการเคลื่อนไหวก็จะน้อยลง ถ้าเราพยายามจ่อจิตมาว่าฉันจะปรับได้มันก็ปรับได้เหมือนกันคุณโจมติวไม่ใช่ว่าแบบ<ม>เคลื่อนไม่ได้เลยไม่ถึงเป็นอย่างนั้นค่ะเ อ, องั้นก็เท่ากับว่าอ อ, อันนี้เป็นปัญหาส่วนตัวถามเผื่อคนที่มีปัญหาคล้ายๆกันแต่สําหรับกรณีของเจ้าของคําถามาคุณยุทธเนี่ยถ้ามีจิตใจที่แน่วแน่แล้ ว, ลวไม่ต้องไปกลัวในสิ่งที่ท่านไพไบบลได้แนะนําไปว่าจะไปบวนะชไหมคะมสู้เลยอืมไปสู้เพราะว่าเออ ต้องฟังท่านไปบูรเนี่ถูกที่สุดท่านบวชมาตั้งหลายปีแล้วอะนะคะเจ้าบานค่ขะของคุณยุทธีแค่นั้นนะคะเจ้าบานทีนี้มาถึงของคุณตูนะคะอบอกว่าเมื่อเช้าขณะนั่งสมาธิสภาวะส่วนใหญ่ก็รู้อยู่ที่ว่างมีเผลอบ้างช่วงหนึ่งจิตก็มีสติรู้ลมอย่างสบายสบายเบาก็เห็นรูปตัวเองมีหนังหุ้มกระดูกอยู่แล้วค่อยๆแยกออกจากกัน เป็นสองซีกออืล้มลงนอนแล้วแขนขาโครงกระดูกเหล่านั้นก็สลายไปออันนี้หมายความว่าพอล้มตัวลงนอนมั้งคะหรือเห็นในสมาธิเหมืพอล้มลงนอนอ๋อเห็นเห็นว่าล้มลงนอนในสมาธิเาแล้วแขนขาโครงกระดูกเหล่านั้นก็สลายไปออืแต่จิตที่มีสติที่เห็นอยู่พิจารณาอยู่เขาก็ตั้งมั่นมั่นคงเหมือนปกติไม่รู้สึกหวาดหวั่นเลยจนกระทั่งทุกอย่างสลายหมดไป ก็เห็นจิตเขาเห็นว่ามันก็แค่นี้เองอ ม, มันไม่เป็นเราไม่มีของเราไม่มีตัวตนที่จะมายึดถือเลยค่ะมันจบลงแค่ตรงนี้ อ, อันนี้เป็นปลารพมาอย่างนี้เลยนะคะไม่มีคำถามไม่มีอะไรทั้งสิ้นค่ะคำถามก็คงจะคือว่าอ่าแล้วต้องทำยังไงต่อแล้วนี่มันคืออะไรประมาณนี้นะเออทีนี้ที่เราอยู่กับความว่างว่างตรงนี้พูดนิดหนึ่งว่าเป็นลักษณะของที่ เป็นจิตตานุปัสสนาติปฐานจิตว่าเราก็มีสติอยู่ที่ตรงนั้นไม่ได้มีลมหายใจไม่ได้นึกถึงคาว่าอะไรทั้งสิ้นใดๆในลักษณะจิตที่ว่างๆนิ่งๆอยู่เนี่ยอันนี้คือจิตที่มีคุณสมบัติของความเป็นพุทโธละคือรู้ตื่นอยู่ละไม่ได้ปรุงแต่งไปในเรื่องใดไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นพุทโธโดยที่ไม่ได้กล่าวว่าพุทโธนะเป็นจิตที่มีพุทโธอยู่ในใจตรงนั้นอันที่สองคำถามก็คือว่า แล้ไอที่เห็นหนังหุ้มกระดูกแล้วค่อยแยกจากการไปนี้มันคืออะไรัคํตาตอบในที่นี้คือเป็นนิมิตเหนือนิมิตแปล ว, ว่าเครื่องหมายเป็นลักษณะาาการปรุงแต่งของจิตอย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องหมายให้เราเห็นแลแต่ว่าจิตใจก็ไม่ได้มีการปรุงแต่งมาก่อนหน้านี้นะทาไมอยู่ๆมันถึงเกิดขึ้นมาตัวนี้มันจะเป็นเครื่องหมายไงเหมือนเราขับรถไปก็รีบเรี่ยไปใช่ปะ่ะแต่พอเราเห็นป้ายปุ๊บเอาป้ายโผล่มาเว้ยอ๋อว่าวัดป่าดอนสายศพไปอย่างนี้แต่ป้ายอื่นๆโฆษณาอะไรเราไม่ได้มองแต่พอเป็นป้ายของทางการปุ๊บเราเห็นวับทันนททีีว่าาออไปง้ อย่นี้คือลักษณะของเป็นป้ายเป็นเครื่องหมายที่มันโผล่เขมาเครื่องหมายนี้บง่งบอกอะไระเครื่องหมายที่คุณโตเห็นว่าเป็นหนังหุ้มกระดูกข้อยแยกจากการแยกแล้วสลายลงสลายลงนะแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกแล้วก็หายไปหมดเลยเนี่ยเป็นฝุ่นผงใบเนี่ยลักษณะตรงนี้คือเป็นลิมิตที่ให้เห็นนะคือไม่ได้อ่าคือเราเห็นหน้าของเราเองคือเหมือนกับบุคคลที่3เห็นตัวเราคือไม่ใช่ว่าเป็นบุคคลที่1เห็น เออจะพเหมือนกับเราเล่นเกมกดคอมพิวเตอร์อย่างงี้ไหมคุณชมติวค <Okay. S 1> ่ะคือเราเห็นแต่มือเราใช่ไหมอันนี้คือเป็นแบบสามิติใช่ไหมที่เขาจะพูด น, นนะแต่ถ้าเรามองจากข้างนอกมาแล้วเห็นตัวเราเองอันนี้คือลักษณะที่พระพุทธเจ้าใช้คาว่าเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งหรือเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนนี่อันนี้คือเรียกว่าเป็นปัจเจเวขณะนิมิตนะคือนิมิตเครื่องหมายเพื่อการพิ จ, จรารณาปัจจเวขณะเนี่ยนะ เป็นนิมิตขหมายเพืการพิจารณาว่าอ๋อจริของเราเนี่ยมันมีการพิจารณามาถึงจุดที่ว่าเห็นจักรประสิ่งเนี่ยเป็นของที่อนาตตาเป็นของที่ไม่ได้จะมายึดถืออะไรเป็นเครื่องหมายบ่งบอกเรฉยๆแค่นั้นเองเป็นเครื่องหมายบ่งบอกเฉยๆว่าอ๋อเราปฏิบัติผ่านมาถึงจุดนี้แล้วนะนั่นคือถ้าจะเปรียบเทียบก็คือคุณขับรถมาเรื่อยๆเนี่ยจากกรุงเทพจะมาอุดรธานีอ๋อคุณก็ผ่านสระบุรีผ่านโค ร, ราชมาตามป้ายละป้ายมันก็จะบอกว่าทางนี้ทางนี้ไปอุดรธานีประเดน็นคือตรงนี้คุณโยมติ ว, ว่า ถ้าบอเราหยุดอยู่ที่ป้ายนั้นอย่างเดียวโอ้ป้ายนี้เป็นอย่างนี้เราก็จะไปต่อไม่ได้ น, นไปต่อไม่ได้คือมันจะไปต่อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้ากรณีของคุณตู่เนี่ยโอ้อยากจะเห็นอีกหรือว่าเอ๊ะเมื่อไหรความรู้สึกแบบนี้มันจะกลับมาคือถ้าไม่ใช่เป็นเห็นภาพอย่างนี้อาจจะเป็นความรู้สึกเป็นสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากจะให้มีสุขอย่างนั้นอีกเนี่ยอันนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นเนีนเพราะว่าของนี่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันหายไปบางทีมันไม่กลับมาอีกะเช่นบางทีเราผ่านป้าย เราจะไม่ได้เจอป้ายสระบบุรีกถ้าคุณผ่านสระ บ, บุรีมาแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่ถึงอุดรคุณอาจจะเห็นป้ายอุดร อ, อยู่บ้างนะมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราให้เห็นนี่มีที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอย่างเนี้ยถูกต้องแล้วนะเราก็ทําเหมือนเดิมต่อไปคุณตั้งสติมาไงถ้าไม่มีความชํานาญคุณเข้าสมาธิดํารงอยู่ในสมาธิออกสมาธิมีผัสสะได้ได้มากระทบเห็นอยู่ด้วยความเป็นกองอนัตตาทําแบบเดิมไปเพราะเรามาถูกทางแล้ว ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าเป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตที่บอกว่าเรามาถูกทางแล้วให้ทําต่อไปนั่นเองแต่ไปอยู่แค่ตรงนั้นเยค่ะค่ะทั้งคะก็ที่ท่านกล่าวว่าเป็นจิตตานุปัสสนาที่ว่างๆ อ, อย่างนี้นะคะคือออยู่ในสติปัฏฐานสี่ที่มีสติอยู่ที่กายที่เวทนายอยู่ที่จิตอยู่ที่ธรรมใช่ไหมคะใช่ทีนี้ฟังดูเหมือนกับว่ า, วาตอนสุดท้ายเนี่ย ที่ท่านบอกว่าที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นนิมิตบอกว่าเรามาถูกทางแล้ว uh huh. แล้วก็ให้พิจารณาทำว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถูกไหมคะอันนี้ก็เลยน่าจะล้าเข้ามาอยู่ในส่วนของธรรมานุปัสสนาใช่ไหมคะ ท, ที่ท่านพูดนะคะคือคือสี่อย่างนี้นะคุณหยมตือว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเรือนยอดเรือนยอดหรือเจดีย์ที่มีทางเข้ามาจากสี่ทางคุณจะมาจากทางไหนเหนือตะวันออกใต้หรือตะวตกก็ตาม ก็จะเข้ามาสู่ใจกลางคือดีเสถิปตพฐานสี่นี้ก็เหมือนกันคือเราไม่ได้ว่าจะไปแยกว่าคุณจะปฏิบัติกายเบญนาจิตหรือธรรมนะแล้วตัวนี้จะมาปฏิบัติธรรมะต่อเดี๋ยวไปนี้ไปจิตคือมันเป็นอันเดียวกันนั่นเองมันเป็นอันเดียวกันอยู่ที่ว่าเราเข้ามาประตูไหนเพื่อให้จิต เ, เรามีสติมีสมาทิฏฐตั้งขึ้นนั่นเองมาร์กแปะมันรวมกันอยู่ตรงนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อ, อยู่ทนี้วงั้นถ้าเดี๋ยวฉันจะอธิบายความเข้าใจของที่ฉันใหม่หลังจากที่ฟังท่านอธิบายแล้ววเนี่่ยก็แปลา คุณตู่เนี่ยสบายใจได้ว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยมาถูกต้องแล้วในการเจริญสติปัญสีสิ่งที่คุณตู่ได้เห็นนั้นเป็นนิมิตที่ปรากฏมายืนยันความถูกต้องของการปฏิบัติแล ะ, ะไม่ต้องไปพึงพอใจอใช่ไมคะมี<ด>ฉันทะมีความชอบใจแล้วก็อยากจะให้เกิดปรากฏการอย่างนั้นอีก เพียงแต่ว่าขอให้เจริญสติปัญสีในเมื่อเราทําแล้วเกิดผลอย่างนี้ยืนยันว่าที่ทําอันนั้นถูกต้องก็ให้ทําซ้ําอยู่นั้นใช่ไปเรื่ยไปตามทางเดิมอไปตามทางเดิมค่ะท่านคะทีนี้ถ้าจะถามในเรื่องของเมื่อท่านได้เคยกล่าวในตอนที่ผ่นานๆมาว่าสติปัญสีกับสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่เกื้อกูลกันถูกไหมคะใช่อันนี้ถือว่า ก็เจริญสัมมาสมาธิอยู่แล้วถูกต้องไหมคะถูกต้องอ่าแล้วถ้าจะถามว่าการที่ว่างๆแล้วเห็นภาพขึ้นมาดังกล่าวนั้นเป็นการอยู่ในฌานไหนอย่างไรดิฉันถามคาถามถูกไหมคะอันนี้ถ้าพูดถึงฌานก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นๆเราต้องพิจารณารายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นไปอยเช่นคุณมีอุเบกขาหรือว่าคุณมีพิติสุ แล้วมันทั่วทั้งตัวไหมอันนี้ต้องดูค่ะซึ่งคุณตู่ก็ต้องไปถามตัวเองอ่าต้องต้องแยแยไปเพิ่มเติมตรงนี้แต่คําถามของดิฉันเนี่ยถามได้และก็ตอบได้ว่าน่าจะมีชาเหล่านั้นแหละเพียงแต่จะเป็นชานไหนนั้นคุณตู่จะเป็นคนรู้อย่างนี้ถูกไหมคะอ่าใช่ใช่ใช แ, ลแล้วะ ค, ะคือองค์ประกอบของชานก็คือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่อะไรในชา น, นั้นเนี่ยมันมีอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องไม่มีเช่นถ้า เป็นชา้นสองก็ต้องมีสมาธิชา้นสามก็ต้องมีสุขชา้นสีก็ต้องมีอุเบกขาอย่างเงี้ยมันหยุดทั่วตัวเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจะบอกว่าปฏิบัติมาถึงขนาดอย่างที่ปฏิบัติเนี่ยจะหยุดแล้วคิดว่าเราคงมาถูกที่แล้วเพราะว่าเราสามารถจะเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนตัตตาเห็นการเกิดเห็นการดับอย่างยิ่งแล้วอันนี้ยังไม่ใช่ต้องทําต่อไปอีกเรื่อยๆอันนี้คือมาถูกทางแล้วทําแบบเดิมนี่แหละ ที่เห็นที่แงทุกข์ฐาตาแบบเดิมเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะมันตามทางนี้มาเข้าใจค่ะแต่หมายถึงว่ายังไม่ได้บอกว่าบรรลุธรรมแล้วอ๋อก็คือตรงนี้คือเราเราเขาเรียกว่าบรรลุถึงอะไรก็เ ร, เ, เรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริงแลก็เรียกมียานคือคนที่มีสมาธิเนี่ยจะมียานห้าเกิดขึ้นหประการนั่นคือความ ร, รู้ของเขาเนี่ยจะเกิดขึ้นว่าหนึ่งสมาธินี้คนชั่วคนถอยเสพไม่ได้ แล้วก็สมาธิก็จะเกิดขึ้นว่าเป็นสิ่งที่สงบระงับไม่ใช่จะได้ด้วยความข่มบังคับเอานี่เป็นญาณที่เขาจะบรรลุได้เลยลเขาจะบรรลุเป็นตามลําดับขั้นไปทีนี้ถามว่าบรรลุเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งไหมโสดาบานันสะกทาคามีนาคามีอันนี้ธรรมาก็ไม่ทราบก็ต้องดูที่องค์ประกรอบอื่นอีกว่าสังโยชน์นั้นนะคุณละได้หรือเปล่าอย่างนี้นะค่ะเดี๋ยวแต่แต่ว่าที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ บอกว่าเป็นอะไรนะคะที่มีหกอันคนชั่วคนถอยเสพไม่ได้นชคะอ่าคือยานที่จะได้เกิดจากการที่คนเจริญสมาธิน่ะถ้าได้สมาธิแล้วเอาไม่ต้องขั้นไหนเอาแค่จิตเป็นสมาธิเนี่ยคุณจะมีความรู้ตรงนี้คือยานตรงนี้เกิดขึ้นว่าเฮ้ยสมาธิที่ฉันได้เนี่ยคนชั่วคนถอยเสไม่ได้นะนไม่ใช่การากที่หนึ่งอ่าใช่ไม่ใช่ว่าจะได้จากการข่มบังคับห้ามเอาจะไม่ใช่ค่ ะ, ะอันนี้ประการที่สองนี่เป็นต้นน ะ, ะเขาก็จะมีความมั่นใจตรงนี้ในใจว่า โอชมาที่นี้เป็นของระ ง, งับประณนีย่ยนอันนี้อันที่สามด้วยอันทีที่จําได้จะมีอยู่3ามสี่ข้อ น, นี้แหละค่ะนะคะก็น่าขอแสดงความยินดีดคุณตูนะคะเดียวฉันเชื่อว่าผู้ปฏิบัติเป็นจํานวนมากอาจจะอาจจะยังไม่มีประสบการณ์แบบนี้แต่ถ้าพูดแบบให้กําลังใจเนี่ยปฏิบัติไปเรื่อยจะมีโอกาสแบบคุณตูกันทุกคนไหมคะถูกต้องแน่นอนจะไปตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าออกแบบไว้เส้นทางนี้คืออรยิยมรรคีงองแปดนั่นเอง ติดตามรับฟังรายการ ส, ามสัสมมนากันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็กราบน้อมสักการขอบพระคุณธํามหาภัยบู์อภิปุล น, นอค่ะเจริญบานท่านฟังที่ครบค่ะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f อ1เ6็้นี่แหละนะคะเช้าตรู่ตื่นมาเรามาพบกันเวลาเดิมวันนี้พุทธวสวสดีค่ะ